การรวมกันสะเพสะตาสาทัง วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่พระอาจารย์โน้ตรองเจ้าวาดวัดป่าสุขโตได้กลับวัดหลังจากหายไปหลายเดือนเปไ็นทุดงมาวันนี้ก็จะนิมนต์ท่านผู้ธรรมะหรือเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังบนพระอาจารย์โน้ตครับ ขอโนอบน้อมพระรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอากราบและตึกถึงคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนขอากราบประจารย์วัฒนชัยแล้วก็พระอาจารย์สุดีนแล้ก็เพื่อนธรรมทุกท่านจเจริญในธรรมเมชีแล้วก็ยติธรรมทุกคนเนาะ ก็ไม่ได้จับ ม, มายมาสองสองเดือ น, นก็ไปหลายที่เนาะถ้าจะเล่าก็คงใช้เวลาเยอะนะกไ็ไม่ต้องเล่าอะไรมากหรอก <c oughs> มันคล้ายๆเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนาะเหมือนกับชีวิตพวกเราทุกคนแหละผ่านผ่านเวลามาหลายปีนะผ่านประสบการณ์ มาหลายที่หรือบางคนได้่านอาชีพการงานเยอะแยะมากมายเนี่ยก็เหมือนเราก็มีเรื่องเล่าส่วนตัวของเราเนาะถ้าเปียบสเสมือนหนังสือก็เป็นหนังสือคนในเรื่องกันเลยเนะี่ยเป็นบันทึกที่ยาวมากตั้งแต่เกิดนะจนถึงตอนนี้นะประสบการณ์ชีวิตของเรามีมากเลยแต่ก็ได้ไปเห็นหลายที่ก็ ก็สังเกตนะก็สังเกตอสังเกตแต่หลายอย่างก็ได้ประโยชน์เยอะสังเกตบางคนท้าหมกมุ่นแต่กับเรื่องของตัเองนะก็มักจะเล่าว่าตัเองผ่านประสบการณ์นั่นนี่เยอะแยะมากมายเหมือนได้ดูเรื่องเยอะกว่าคนอื่นมากนะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของคนอื่นมันก็เป็นความหลงอย่างหนึ่งนะอื เราก็ไม่ได้ว่าอะไรบางคนก็หมกมุ่นก็ว่าแต่พูดแต่เรื่องตัวเองแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่มีสาระมันก็ควรค่าแก่การแบ่งปันเยอะแต่บางทีก็สังเกตบางคนก็พูดด้วยความรู้สึกเหมือนมันเป็นตัวตนเนาะเป็นความรู้สึกพูดด้วยความเป็นตัวตนว่าเราเก่งว่าเราแน่ว่าเราดี หรือว่าเราได้มีประสบการณ์อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ก็ใจรู้ทีรู้สึกว่าคนงทีพูดเรื่องตัวเองมากก็เดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องตัวตนนะ <c oughs> นก็ม <c oughs> แต่ที่ได้ไปศึกษาเรียนรู้มาหลายๆอย่างก็คิดว่าหนีไม่พ้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหรอกคือนะ ท, ทำอย่างไรนะนะเราถึงจะมีสิน ศีลคือความเป็นปกติของกายของวาจานะแล้วก็ของใจเนี่ยแหละนะศีลก็สำคัญนะอย่าอย่าได้ประมาทพระพิสุสงเราก็มีศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อนะไม่ชี้ก็ศีลแปดญาติธรรมบางคนก็ศีลแปดบ้างศีลห้าบ้างศีลก็สำคัญนะข้อวัดข้อปฏิบัติข้อวัดก็คือสิ่งที่ ในสำนักนั้นๆ น, น, นะประพฤติปฏิบัติกันเช่นการทำวัดการบินทบาตการทำความสะอาดลานวัดทำความสะอาดศาลาหรือดูแลหน้าที่การงานภายในวัดนะ ต, ต่างๆพวกนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะมันเป็นการฝึกนิสัยของเราคล้ายๆเหมือนกับเหมือนกับพื้นดินนะถ้ามันแข็งแรงดี เราจะสร้างอาคารบ้านเรือนก็ดีนะมันก็มันก็สร้างได้สูงสร้างได้มั่นคงหรือดินที่มันอุดมสมบูรณ์นะจะปลูกอะไรมันก็มันก็งดงามนะเรื่องศีลเองเรื่องข้อวัดต่างๆเองมันเป็นคล้ายๆเป็นฝึกนิสัยของเราเนาะฝึกนิสัยฝึกความเคยชินของเราให้มันอยู่ในทํานองครองธรรมนี่แหละนะ ก็เป็นเรื่องที่สาคัญนะก็ย่าได้ประมาทกันสินอันใดที่เรารู้สึกว่าดังพ้อยก็ก็ชำระให้มันสะอาดอันไหนที่ทำผิดแล้วก็พงอาบัตเสียหรือว่าแต่สิ่งหนึ่งคิดว่าที่สาคัญจริงๆคือความตั้งใจของเราเนี่ยนะตั้งใจว่าเอออะไรที่เราทำผิดทำพลาดไปแล้วก็อืมก็จะไม่ทำอีก ในตอนนี้แล้วก็ในอนาคตอะไรแบบนีน้ตั้งใจแบบนี้นอะไรที่เราทําไม่ดีนะอะไรที่เราเคยประพฤติไม่ดีเราคงกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้เนาะกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่คิดว่าสิ่งที่สําคัญคือเราตั้งต้นใหม่ได้ในวันนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าจะว่าไปศีลหรือมันก็คือความตั้งใจ ความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ที่ดีตั้งใจที่จะละสิ่งที่มันไม่ดนะีเราก็กลับมาบริสุทธิ์ลนะที่ตอนนี้นะที่ใจที่มันที่มันมั่นคงขึ้นเนาะแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องทำใจยอมรับนะอะไรที่เคยทำพลาดไปแล้วถ้าผลกรรมจะเกิดอย่างไรนะก็ยินดียอมรับนะชาวพุทธเราเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นเจ้าพุธขี้ขอนะขออะไรขอให้เจ้ากรรมในเวรขอให้เทวดาขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยลบล้างเวรกรรมที่เราเคยทำาเไยไม่รู้นะเอามาก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปขอหรอกเนาะผลจะเกิดยังไรมันก็แล้วแต่แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่สิ่งที่เราได้ทำมานะ เราก็ยอมรับผลนั้นด้วยดีเถอะคล้ายๆเหมือนเราทำผิดนะก็รับโทษไปรับโทษไปโดนปรับบ้างติดคุกไปบ้างก็ชจาาหองมัน <c oughs> ดีกว่าคนที่ทำผิดแล้วก็คอยหนีเนาะห น, นะีหนีไปต่างประเทศหรือว่าทำให้คดีมันพลิกไปมันก็อาจจะอาจจะรอดในช่วงขณะหนึ่ง แต่ใจเองไม่พ้นจากนรกไม่พ้นจากความทุกข์อันนี้มันก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ก็อยากจะเสริมอยากจะฝากกันไว้ก็พวกเราก็ให้ให้ได้รักษากันให้ให้ดีๆเนาะในเรื่องศีลเรื่องข้อวัดก็ปฏิบัติกิจวัตรของเราเนี่ยแหละนะถ้าทำเป็นประจําทุกวันเนี่ยมันเหมือนมันก็เข้มแข็งนะจิตใจเราก็เข้มแข็งแต่ศีล น, นะ สมาธินะ่ปัญญานะมันเป็นเนื่องไตรติขาที่พระเจ้าท่าสอนเรานะีสมาธิเองก็สำคัญนะแต่สมาธิไม่ใช่ว่าเราต้องนั่งหลับตาเราต้องนั่งให้มันได้สงบไม่คิดอะไรนะอย่าไปคิดว่าสมาธิคือการที่เราไม่คิดอะไรสมาธิคือการที่ต้องนั่งให้ได้นิ่งๆหรือต้องได้เข้าฌานนะอันนั้นสมาธิอันนั้น มันมีมาก่อนที่พระเจ้าท่านตัดสู้แล้วนะพระเจ้าเองก็เคยทำมาแล้วนะได้ความสุขจริงแต่ไม่ได้เกิดการหลุดพ้นนะแต่แต่ก็มีประโยชน์นะไว้พักผ่อนนะหรือไว้เล่นกับนิมิตต่างๆก็มีประโยชน์อยู่แต่ถ้าเราจะฝึกสมาธิให้เกิดปัญญาเนาะ มันต้องเป็นสมาธิที่เราต้องเข้าใจว่าเป็นสมาธิที่ทําให้จิตใจมันตั้งมั่นนะไม่ใช่สมาธิเพื่อความสงบเนะี่ยบางคนทําสมาธิอยากจะสงบนะนะหรือพอสงบแล้วก็ติดในความสงบอนะไรนั่นนะจริงสมาธิจริงๆคือใจมันตั้งมั่นตั้งมั่นคืออะไรตั้งมั่นคือระลึกรู้นะอารมณ์ในปัจจุบันนะตั้งมั่น ในการเห็นกาย mm. เห็นใจมันทำงานนี่คือสมาธิเหนะมือนเราตั้งมั่น <c oughs> เหมือนสมาธิตัวนี้เหมือนยามนะยามที่อยู่ตรงป้อมนะหน้าประตูทางออกนะที่รถจะเข้ารถจะออกเนะี่ยเขาตั้งมั่นอยู่ในหน้าที่รถนะจะเข้ารถจะออกเขาก็เห็นนะจิตใจที่ตั้งมั่นก็เหมือนกันนะ อารมณ์มันจะไหลออกไปหรืออารมณ์กระทบเข้ามาเนี่ยเราก็รู้นะอารมณ์ในที่นี้คืออะไรอารมณ์คือสิ่งที่กระทบเนาะกระทบทางตากระทบทางหูงกระทบทางจมูกลิ้นกายหรือการนึกคิดทางใจเนี่ยมันเราห้ามสิ่งนี้กระทบไม่ได้หรอกนะจะไปที่ไหนก็มีแต่คนไปป่าไหนนะก็เนะี่ยก็เจอคนเหมือนกันนะ่ะอ่า เดินทุงกรมก็เจอพระเดินสวนกันนะไปที่ไหนก็เจอชาวบ้านอยู่วัดไหนนะก็เจอพระเจอโยเหมือนกันนะเราอย่าไปคิดว่าเราจะไปหาความสงบโดยการหนีไปอยู่ที่นั่นที่นี่นะเอาเข้าจริงไปที่ไหนก็มีแต่คนเหมือนกันนั่นแหละแต่จริงคนอื่นนะเราว่าเขาเป็นปัญหาแต่จริงก็อาจจะไม่ใช่อะไรนะ ปัญหาจริงอาจจะอยู่ที่ใจเรานงะใจเราที่ไม่รู้ทันตัวเองเนาะเวลาไม่พอใจไนงะใจเราเวลาที่เราไม่รู้ทันตัวเองเวลาที่เราไปตำหนิคนอื่นไปเพ่งโทษคนอื่นนะไปมองคนอื่นว่าไม่ดีว่าไม่สงบว่าไม่นั่นนี่แต่จริงถ้าเรามีสมาธิที่ตั้งมั่นนะเราจะกลับมาเห็นใจเวลาเรากระทบไนงะ เวลากระทบเช่นได้ยินเสียงที่มันไม่พอใจนะเห็นการกระทำเห็นรูปที่มันไม่ถูกไม่ดีไม่ชอบนะเรามีสติรู้ทันนะรู้ทันเมื่อกระทบแล้วจิตใจเป็นอย่างไรให้รู้อย่างนั้นนะบางทีก็กระทบดีบางทีก็รบกระทบไม่ดีนะได้จริงมันเลือกไม่ได้นะอารมณ์ภายนอกเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะ แต่สิ่งสาคัญคือเรามีสติคอยรู้ทันรู้ทันมันเป็นแบบไหนก็รู้อย่างนั้นน่ะแหละนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นคนมองโลกสวยนะคิดดีนะมองโลกในแง่บวกนะมองแบบมีความสุขมองแบบอะไรก็ไม่จำเป็นนะไ่ดูนะนะก็บางทีบางครั้งก็รู้สึกว่าเออเรามองแล้วมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุข มองว่ามันรู้สึกทุกข์มันขัดใจไม่ชอบใจก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่รู้พุทธศาสนาเนี่ยคือการสอนให้มองตามความเป็นจริงนะมองเป็นจริงคืออะไรนะดีก็รู้ว่าดีไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีชอบก็รู้ว่าชอบไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบนะไม่ต้องไปแตดจดดิตว่าเราเป็นคนดีนะไม่ต้องแตดจะดิบว่าเราคิดดี ไม่ต้องดะดจิตว่าเราต้องเฉยๆนะอารมณ์เมื่อกระทบแล้วเป็นแบบไหนก็ให้เรารู้ตัวเองแบบนั้นแหละน ะ, ะแล้วเราจะเห็นอะไรเมื่อจิตใจเราตั้งมั่นเห็นอารมณ์ที่มันมันกระทบก็ดีหรือว่าเราปรุงออกไปจากข้างในเองก็ดีนะมันเกิดแล้วก็ดับน ะ, ะมันเกิดแล้วก็ดับทุกอารมณ์มาแหละนะไม่ว่า ไม่ว่ามันจะเป็นสุขก็ดีหรือเป็นทุกข์ก็ดีชอบก็ดีชังก็ดีนะถ้าดูดีๆนะเดี๋ยวมันก็เกิดก็ดับนะทุกสิ่งทุกอย่างนะกุศลก็ดีอกุศลก็ดีหรือเป็นกลางๆ ก, ก็ดีนะล้วนแต่เกิดดับทั้งนั้นเนะี่ยเรามีจิตที่ตั้งมั่นในการเห็นอารมณ์เพื่อเพื่อจะได้เห็นใจรักของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละนะใจรักนี่ไม่ใช่เราไปเห็นนะีความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว มันทำให้เราเกิดปัญญานะถ้าเราไม่น้อมเข้ามาใส่ตัวนะก็ไม่เกิดนะแต่แต่รักจริงๆถ้าเราจะเห็นแล้วเราเกิดปัญญาเกิดการปล่อยวางเนะี่ยคือเราไม่เห็นรูปธรรมแล้วก็นามารมเนะีนะ่ยตรงนี้แหละมันเกิดมันดับนะมันเป็นทุกข์นะเราก็เห็นมันเป็นทุกข์จริงๆนะอย่างร่างกายเนี่ยนะเราก็เรียกว่าร่างกายของเรานะ แต่บางทีมันแก่ก็ดีมันเจ็บก็ดีเนาะเราก็ไม่อยากให้มันเป็นเนาะเพราะที่จริงมันแสดงความเป็นทุกข์ให้เราเห็นนะแต่เราก็อยากให้มันไม่ทุกข์นะเราอยากจะให้มันสุขนะเราฝิดฝืนมันก็ไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าเรายอมรับเออมันก็เป็นอย่างนั้นน่แหละนะมันเป็นทุกข์ก็ถูกแล้วนะวันนี้มันเป็นทุกข์แค่นี้เดี๋ยวต่อไปมันทุกข์มากกว่านี้เองนะแตกดับไปเน่ ถ้าเราไม่ยอมรับความเป็นทุกข์จากการเจ็บปวดเมื่อยเนี่ยวันหนึ่งที่มันตายไปเนี่ยใจจะเป็นทุกข์มากเพราะว่ามันไม่ยอมรับตั้งแต่ตอนนี้เนาะเนี่ยร่างกายมันเป็นทุกข์เราก็เราก็รู้มันเนาะอย่างที่มันเป็นไม่ต้องไปฝืนหรอกนะเราก็ทําได้แค่บรรเทาแก้ไขนิดๆหน่นอยไปนะจิตใจเองเนะบางทีมันก็เป็นทุกข์เนี่ย เวลาเจออารมณ์ที่ไม่มันไม่พอใจบมันทีมันมันจะมีคล้ายๆแสดงปฎิยาตอบโต้เนาะตอบโต้ออกไปก็มีหรือตอบโต้ตัวเองเนกดไว้ก็มีนะอ่ามันสแสดงอาการ่างนี้นะถ้าบางคนขาดสติก็เผลอออกไปเผลอออกไปพูดเผล อ, ออกไปทำตามอารมณ์ตามความคิดที่ไม่พอใจแต่บางทีนักปฏิบัติธรรมเราจะรวบอารมณ์ไว้นะ ทับไวเลยกดไว้เลยนะเหมือนคล้ายๆพอมันอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันปุ๊บกดไวนะก็ลองสังเกตดูนะใจมันปกติไหมใจมันอึดอัดไหมนะอือนะบางทีใจมันก็ไม่ค่อยสบายนะก็อย่าไปรวบอารมณ์มากเกินไปนะนะให้ให้ทำใจสบายๆเนี่ยนะแล้วก็รู้นะรู้มัน อย่าที่มันเป็นนั่นแหละนะลองอะไรเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่กเรา ก, เราก็เราก็รู้มันอันนี้เรียกว่าเป็นสมาธินะเป็นสมาธิที่มีสติมาประกอบนะสติคือมันได้รู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นสมาธิก็มีจิตที่ตั้งมั่นในการรู้นะแต่รู้ไปบ่อยนะปัญญานน้อยนะมันก็จะเกิดขึ้นนะปัญญาในน้อก็คือเห็นนะเออ เดี๋ยวมันก็เกิดความสุขขึ้นมาเดี๋ยวสักพักอ่ะก็หลงไปคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวสักพักอ่ะก็กลับมารู้สึกตัวนะเดี๋ยวสักพักก็ไปดูอันนั้นนะี่จิตมันไม่เคยจะอยู่นิ่งเลยนะจิตเนะี่ยเราจะให้มันอยู่นิ่งๆอ่นะมันมันไม่ได้หรอกนะมันจะดิ้นนะเหมือนเด็กกันนะมันตื่นอนีูยเราจะตับให้มันนั่งนิ่งๆ น, นะไม่ค่อยนิ่งหรอกนะ มันจะไปนั่นไปนี่เรื่อยนะเพราะอะไรนะบางคนมาทําสมาธิเพราะเข้าใจผิดคิดว่าจะทําจิตให้มันนิ่งนะแต่จริงธรรมชาติของจิตนะเขาเป็นเขาเป็นธรรมชาติที่เรียกว่ารู้สึกนึกคิดนะรู้สึกคืออะไรจิตนี่คือตัวรู้สึกนะอย่างเรามีร่างกายเราเคลื่อนไหวเนี่ย ถ้าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจเราไปคิดเนะี่ยมันไม่รู้สึกใช่ไหนะเราก็เลยไม่รู้สึกตัวนะธรรมชาติของจิตคือมันรู้สึกวิญญาณคือตัวความรู้สึกนะคือตัวรับรู้ที่จริงเราทําอะไรนะนะถ้าธรรมชาตินะเรามีสติมันจะเกิดความรู้สึกนะรู้สึกในการกระทํานำะรู้สึกในสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างในนะรู้สึกตัวนะี่คือเนี่ย แค่รู้สึกไม่มันก็คือว่าตาเห็นรูปอ่ะดูแล้วนะหูได้ยินเสียงเนะี่ยดูแล้วหรือตอนเนี้ยกายกระทบกับอากาศหนาวนะก็รู้กายมันนั่งเนะี่ยเราก็รู้สึกรู้สึกว่ากายมันนั่งอยู่เนะี่ยคือรู้สึกเลนะหรือต่อไปเราก็เดินนะกายมันเดินนะเรารู้สึก การมีสติการรู้สึกก็คือเ น, น่เป็นธรรมชาติที่จิตมันรับรู้กายเราทำอะไรก็แล้วแต่จิตใจระลึกรู้อยู่เนี่ยก็เรียกว่ามีสตินะการฝึกสติการฝึกสมาธิจริงๆก็ใช้ใจใช้จิตใจโดยธรรมชาตินี่แหละในการรู้อารมณ์นะอย่าไปแบบบางทีเราไปตั้งใจเกินไปมันจะเครียด ที่จริงมันรู้ได้อยู่แล้วเนะ่ะดองสังเกตด้วยนะอย่างตอนนี้นเราตั้นั่งเนี่ยรู้สึกอยู่นะสังเกตว่าางทีเราหลับตาเนะี่รู้สึกไหมหลับตาเราก็รู้นะใช่ไหมหรือบางทียิ้มนะเนี่ยล้วก็เห็นนะเห็นร่างกายเรายิ้มหรือเราหายใจเข้าเราก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกมันรู้ได้อยู่แล้วนะ ไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่พิสดารหรือว่าไปต้องทําอะไรมากมายล้วเพราะธรรมชาติของร่างกายเราไม่ได้ผิดปกติเนาะเราไม่เป็นอามาพึกงเอามาพาดการรับรู้สิ่งต่างๆยังเป็นปกติอยู่เนี่ยร่างกายมันมีนะแล้วจิตใจเองถ้าเราไม่ไปทําให้มันเสียจากความเป็นธรรมชาตินะมันรู้ได้อยู่แล้วอย่างที่บอกเรานั่งเนี่ย ก็รู้สึกว่านั่งเนี่ยนี่คือปัจจุบันใช่ไหมเราหายใจนะก็รู้สึกนะอันนี้คือร่างกายเนี่ยเรารู้สึกไปตามธรรมดาเลยนะนนั้นที่จริงเวลาเราปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเดินจงกรมหรือสร้างจังหวะหรือนั่งดูลมหายใจหรือทำงานต่างๆใช่ไหมความรู้สึกตัวก็คืออะไรสิ่งที่เราทำในตอนนั้นแหละ รับรู้มันนะรับรู้ถึงร่างกายที่มันเคลื่อนนะเห็นร่างกายเขาทำจิตใจเป็นตัวดูเป็นตัวรู้นะสองส่วนนี้มันประกอบกันนะร่างกายมันทำจิตใจคอยสังเกตคอยดูมันนะดูไปได้เท่าที่ดูได้แหละนะอย่าไปคิดว่าจะต้องแบบดูแบบไม่ให้กระพริบตานะถ้าดูแบบนั้นมันจะเครียดนะมันเป็นการจ้องนะก็รู้สึกไปธรรมดานะเดินนะ เราเดินจงกรมอาจจะช้าหน่อยอาจจะมีจังหวะชัดเจนนะก็รู้สึกไปเราไม่ได้เดินจงกรมเราเดินบินทบาทเราเดินไปศาลาอาจจะเร็วหน่อยก็รู้ไปนั่นแหละนะรู้ช้ารู้เร็วไมไ่สำคัญหรอกนะมันรู้สึกตัวเหมือนกันนั่นแหละนะ <c oughs> ไม่ได้ผิดแต่ไม่ได้ว่าต้องต้องจังหวะแบบนั้นแบบนี้ร่างกายมันเป็นแบบไหนเราก็รู้แบบนั้น นะไม่เป็นไรนะ่ะเรานั่งก็เหมือนกันนะนั่งดังตรงก็รู้นะ่ะนั่งหลังงอก็รู้นะ่ะใช่ไหมนะี่อย่างแม่สักข อ, อนั่งหลังตรงไม่เคยได้นั่งหลังงอก็รู้สึกได้นะไม่ไดีเป็นอะไรหรอกนะ่ะพระเจ้าบอกยืนเดินนั่งนอนนะ่นะมีสติคอยรู้เนะี่ยได้หมดเลยนะเดินจงกรมไม่เมื่อยเออไปนั่งเหยียดขาไปนอนเอนให้หลังมันยืดหน่อย รู้สึกว่ากําลังนอนอยู่ก็ถือว่าเป็นคนทําความเพียร น, นะไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจ น, นะเ อ, อแต่ถ้านอนด้วยความขี้เกียจโอ้นอนด้วยความเบื่ออันนั้นก็อันนั้นก็ขาดตินะแต่ถ้านอนแล้วรู้สึกว่าร่าง ก, กายกําลังนอนรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกขณะที่นอนนี่ก็คือทําความเพียรแล้วเดินมากๆเออปวดขาเออนั่งเก้าอี้สักหน่อยนอเนาะ นั่งก็รู้สึกว่ากาลังนั่งอยู่นะกระดิกเท้าหรือหายใจก็รู้สึกเนี่ยนี่คือเราทำความเพียรนะนะนั้นอย่าไปจริงจังมากนะเวลาเราปฏิบัติทำบางทีก็นะทาไปตามกําลังร่างกายที่มันที่มันทำได้เนาะนะเราเปลี่ยนอิริยาบถก็ไม่ใช่เราเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าเราจะพักความเพียรนะเราเปลี่ยนอิริยาบถเราก็รู้สึก ตัวในการเปลี่ยนอ e ิยาบทนะเช่นจากยืนมานั่งก็ให้มีสตินะจากนั่งไปนอนก็ให้มีสติจากนอนลุกขึ้นมายืนอะไรก็ให้มีสติกําหนดตามไปเรื่อยนะรู้สึกตัวไปเรื่อยนี่คือถ้าเรารูท่างกายนะมันก็จะรู้สึกตัวง่ายมากจะทำอะไรกวาดดานวัดก็ไม่ใช่จะ ก, กวาดให้มันให้มันเสร็จๆนะหน้าที่ไปนะ เราก็คอยสังเกตร่างกายที่มันเคลื่อนไหวนะล้างจานก็ดีนะก็สังเกตร่างกายที่เคลื่อนไหวแต่อีกสิ่งหนึ่งพอเราสังเกตเรามีร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นกรรมฐานไว้มันจะทำให้เราเห็นจิตใจมันมันปรุงแต่งได้ได้ชัดขึ้นเนาะเราจะจับให้ร่างกายกับใจมันอยู่ตลอดด้วยกันตลอดนะมันอยู่ไม่ค่อยได้อะมันยัง ที่จริงมันก็เหมือนคนเรานะบางคนเหมือนคนรักกันนะอยู่24ชั่วโมงก็อยู่ไม่ได้หรอกมันเบื่ออเจิตใจกับร่างกายมันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดนะมันก็เบื่อเอจะเป็นเพื่อนรักกันขนาดไหนมันก็อยากจะมีเวลาส่วนตัวอยากจะหนีออกไปเหมือนกันแหละนะจิตใจกับร่างกายบางทีมันก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ด้วยกันบางทีมันก็จะแอบไปคิดนะ บางทีก็มันก็ไปสนใจอย่างอื่นแทนสนใจนอกตัวนิดนิดหน่อยๆไก่ขันเมื่อกี้ไปสนใจปะบางทีไก่มังขันนะเราได้ยินนะเราก็รู้นะมันก็ไม่ใช่ว่ามันตั้งใจจะไปฟังเนาะแต่บางทีก็มีอะไรบางอย่างมันดึงดูดไปเออเสียงไก่น่ะมันขันเดินออกไปช้าๆอาจจะได้ยินเสียงนกร้องน่ะเฮ้ยนกอะไรน่ะ มันก็เนี่ยมันก็แวบไปนะแวบไปไปมองเห็นคนอื่นเ็าทำอะไรก็รใจไปนสนใจหรือได้ยินเสียงคนอื่นเขาพูดกันอยู่ข้างหลังเอ้ยเขาพูดอะไรกันนะก็ไม่ได้ผิดนะธรรมชาติของคนก็แบบนั้นแหละนะมันก็จะไปในทางที่ชอบหรือทางที่ไม่ชอบนั่นแหละมันก็จะไหลไปแต่ไหลไปให้เราสังเกตตัวรู้ทันนะ รู้ทันเวลาใจมันไหลเนะี่ยเราใจเราไหลไปทางสายตามันไปมองอะไรเนะี่ยนานๆเ น, นีนะ่ยถ้าเราไปมองในนานๆลืมตัวเนะี่ยเนี่ยนี่คือเราไหลเราด่งไปละแต่ถ้าใจเราเราไปไหลไปมองอ่ะรู้มีสติเห็นอ้อใจมันเผลอไปมองเนาะก็ไม่ได้ผิดเมื่อตอนที่เรารู้ว่าใจมันเผลอไปมองเนะี่ยเราก็มีสติแล้วนะหรือเราไปสนใจเสียง จิตใจไปคอยฟังเสียงไปค้นหาไปคิดไปสงสัยถ้าเรามีสติรู้ออดใจเราไปสนใจเสียงข้างนอกไปคิดคำควรไปปรุงแต่งเออก็มีสติแล้วนะหรือรอยู่ดีมันคิดอะไรก็ไม่รู้นะอดีตอนาคตหรือมีสาระหรือสาระอ่ะไม่เป็นไรนะบางทีก็ปรุงเป็นธรรมะนะบางทีก็ปรุงเป็นอธรรมนะ เอาเน่ไม่ได้หรอกนะจิตใจนั่นนะแต่เราก็ดูมันเออดูเอ้ยดูมันก็มันก็คิดของมันเองเนาะให้เรามองมันเป็นในแง่น่ะมันเป็นของมันเองมันเป็นอนัตตาคือควบคุมบัญชาไม่ได้นะจิตใจน่ะเหมือนร่างกายน่ะควบคุมไม่ได้นะเราว่าเรานั่งสบายแล้วนะสักพักมันก็ไม่สบายหรอกเราว่าเรานอนสบายนะ นอนนานๆนนก็ไม่สบายนะ <c oughs> มันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันเป็นเป็นตามธรรมชาติของมันจิตใจก็เหมือนกันนะมันเป็นอนัตตา ม, มันบังคับไม่ได้เราก็ดูเแบนดูร่างกายโดยจิตใจให้ดูลงในแง่ของไตรักนะนะให้มันเห็นแบบนี้นะเห็นแบบเนี้ยนะมันจิตใจมันถึงจะค่อยๆเกิดปัญญาน้อยๆ น, นะเห็นเอ้ยมันไม่เที่ยงนะจิตนะ เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็เฉยเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็รู้สึกตัวนะมันเป็นของมันเองนะมันไปของมันเองกลับมามีสติก็กลับมาของมันเองนะเดินเหมือนเดิมเนี่ยแหละนะแต่มันก้าวเมื่อกี้ไม่รู้ตัวนะแต่ก้าวนี้ดูละนีมันเป็นของมันเองนะจะสุขจะทุกข์ก็เป็นของมันเองจะดีไม่ดีก็ของมันเองนะจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นเรื่องของมันเองนะ แต่สิ่งที่เราทำได้ก็เพียงนะี่พยายามนะี่กลับมาดูเท่าทันมันเนาะดูเท่าทันมันในในแง่ตรงเนี้ยมันจะค่อยค่อยสะสมปัญญานะปัญญาในการเห็นความจริงของรูปของนามเนะีเมื่อเราเห็นบ่อยจิตมันก็จะคลายความความยึดมั่นถือมั่นนะสิ่งที่เรายึดมั่นที่สุดคือเรายึดว่าร่างกายนี้ยเป็นของเรา จิตใจนี้เป็นของเราเมื่อเราคิดว่าร่างกายนี้แล้วก็จิตใจนี้เป็นของเราธรรมชาตินะเมื่อเรารู้สึกว่ามันเป็นของของเราเราก็จะเกิดความรักความห่วงแหนอยากให้มันสุขมไม่อยากให้มันทุกข์ธรรมชาตินะ่ะคนเราก็จะรักสุขเกียดทุกข์ไม่ที่ผิดปกตินะ <c oughs> เมื่อใดถ้าเรายิ่งยึดว่ามันเป็นของเราเราจะยิ่งอยากให้มันสุขนานๆไม่อยากให้มันทุกข์ ถ้าเราเห็นบ่อยว่ามันเป็นของมันเองแบบนี้หรือเห็นว่ามันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงนะเป็นทุกข์ของอริยสัจนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์นะเมื่อนั้นจิตใจมันจะค่อยคลายความยึดมั่นถือมั่นนะในการสำคัญหมายว่าร่างกายแล้วก็จิตใจเป็นของของเรานะมันจะเห็นว่ามันเป็นของที่มันเป็นของมันเองนะร่างกายก็เป็นเป็นของมัน ตามธรรมชาตินะยืมเข้ามาใช้เดี๋ยวก็คืนเข้าไปนะแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องปกติของทุกคนนะเราก็จะคลายความยึดมั่นตันี้ได้นะหรือจิตใจที่เราคิดว่าเราเป็นคนคิดเราเป็นคนรู้สึกดีเป็นคนรู้สึกไม่ดีนะถ้าเราลองมีสติเราจะมันจะเหมือนตัดความเป็นเราออกอะ่ะจะมีสติเป็นคนดูเอนะ ดูอารมณ์นะอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งสติที่เห็นอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งมันจะไม่ใช่เป็นเราเป็นคนเป็นนไม่ใช่เราไม่ใช่เรากําลังมีความสุขหรือเรากําลังมีความทุกข์เรากําลังคิดดีเรากำลังคิดไม่ดีไม่ใช่มันจะรู้สึกว่าแค่เกิดความสุขขึ้นในจิตใจเนะี่ยเกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจเกิดความคิดขึ้นอ응เกิดอารมณ์ขึ้นนะ มันจะรู้สึกแบบเนี้ยรู้สึกมันมันเป็นมันเป็นอาการอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราสังเกตเลยถ้าเราสังเกตมีสติได้เห็นเออมันเป็นของมันเองนะมันรู้สึกมันเป็นของมันไม่ใช่เราเป็นนะมันคิดเอไม่ใช่เราคิดมันสุขไม่ใช่เราสุขมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์มันรู้สึกจิตใจมันเป็นของมันเองนะเราสังเกตแบบเนี้ยบ่อยๆถ้าสังเกตแล้วมันจะรู้สึกเราไม่ไปแบกมันไว้มันเหมือนรู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะเราไม่ไปหลงไปคว้ามาเป็นเรามันก็ไม่หนักนะอืมก้อนหินนะก้อนใหญ่ขนาดไหนถ้าไม่ไปยกมันมันก็ไม่หนักนะอหนังสือนะว่าไม่หนักแต่ยกไว้นานๆก็หนักเหมือนกันนั่นแหละนะอารมณ์ถ้าเราไปยึดไปจับไว้มันมันมันมันหนักนะนั้นเราก็ทำอย่างไรให้เรามีสติทันเนาะเวลาเรา เห็นสิงที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นขึ้นมานะเป็นการสะสมปัญญาเนาะจะศีลเองก็ดีสมาธิเองก็ดีหรือปัญญาเองก็ดีเนาะตัวสำคัญจริงๆคือสิ่งที่เราทํนั่นแหละนะคือการมีสตินะถ้าเราไม่มีสติมันก็มันก็จะกลายเป็นพวกเค่งศีลเครียดเรื่องศีลหรือเป็นทุกข์เวลาทาผิดศีล มันจะไปไปแบกไปยึดไปดูคนอื่นว่าไม่ดีนะะไรนะหรือไปเครียดในะเวลาต้องไปรักษาแต่ศีลถ้าทำด้วยความมีสตินะมันจะเป็นมันจะเป็นสติที่รักษาใจนะพอรักษาใจได้กายวาจามันก็รักษาตามไปเองลนแหละนะมันสมาธิเองก็เหมือนกันสมาธิก็ไม่ใช่ ไม่ใช <t une trên> <descriptive> ่ว่าต ¿no? mm ้องทำความสงบนะไม่ใช yeah. <t une etin> yeah. ่ว่าต้องไม่คิดแต่สมาธิคือใจมันตั้งมั่นนะเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูเห็นอารมณ์นะอารมณ์ก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยนะมันแสดงนะมันแสดงให้เราเห็นความจริงเห็นความจริงว่าอะไรเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงนะร่างกายก็ไม่เที่ยงจิตใจก็ไม่เที่ยงแสดงความจริงให้เราเห็นว่าอะไรมันเป็นทุกข์นะ ร่างกายก็เป็นทุกข์จิตใจก็เป็นทุกข์มันบีบคั้นนะทนอยู่ในการเดิมไม่ได้นะแล้วก็อะไรร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะโลกนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยร่างกายนี้จิตใจนี้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยปัญญาันจะเกิดขึ้นมานะความปล่อยวางนะ ความพ้นทุกข์นะมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเป็นลําดับเนาะก็พวกเราก็พยายามตั้งใจฝึกตรงนี้เนาะแต่ก็ให้แบบตั้งใจอย่าไปเคร่งเครียดนะ <c oughs> ให้ทําแบบมีความสุขในการฝึกฝนตนเองเนาะนะให้คิดแบบนี้นะคือเราพอใจอะพอใจที่จะบวชอย่าไปคิดว่ามาบวชเพราะมีใครบังคับบวช เพื่อเป็นคล้ายๆครั้งหนึ่งในชีวิตอย่าไปคิดอย่างนั้นนะให้เราพอใจในชีวิตนับบวชนะหรือญาติโยมก็พอใจในการได้มาปฏิบัติธรรมนะพอใจแล้วนะทำอย่างอื่นมาเยอะแล้วนะได้มาฝึกฝนตัวเองเนี่ยพอใจพอเราพอใจในในความเป็นอยู่ของเราในเพศของเรานะในข้อวัดปฏิบัติของเราน่ะเราจะมีความสุขในการทำหน้าที่นะ มีความสุขในการทำหน้าที่อะไรในการศึกษาฝึกฝนตนเองเรื่องศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีความสุขในการทานะมันจะทำได้เรื่อยๆนะบางทีมันก็เหนื่อยนะธรรมดาแหะนะเหนื่อยกายพ้างเหนื่อยใจบ้างนะแต่ถ้าเรามีความนักมีความสุขนะความเหนื่อยมันก็จะไม่ทำให้เราหยุดพักนะบางทีเหนื่อยก็แค่พักนิดนึงแล้วก็ฮึดสู้ต่อเนาะเหมือนเรามีหน้าที่ต่าง บางคนมีลูกอ่ะเรารักลูกอ่ะมันเหนื่อยขนาดไหนเราก็กัดฟันเลี้ยงดูให้มันโตให้ได้นะเจ็บป่วยขนาดไหนอดนอนขนาดไหนเราก็อืมต้องสู้ต้องพาเขาไปให้ดีให้ได้นะถ้าเรารักชีวิตนักบวชชีวิตการปฏิบัติธรรมนะ <c oughs> เหนื่อยขนาดไหนก็สู้นะ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยกันทุกคนนะ <c oughs> เหนื่อยกันทุกคนนะ <c oughs> บางทีก็ท้อบ้างบางทีก็ทุกบ้างเป็นการธรรมดาทุกคนนะแต่ให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้านะคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้จะมีกำลังหรือคิดถึงครูบาอาจารย์นะพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเราก็จะมีกำลังว่าท่านที่จริงนะท่านเหนื่อยมาก่อนเรา หือที่จริงท่านได้ดีแล้วท่านพ้นแล้วนะท่านก็ยังมาเหนื่อยกับเราเอีกนะเหนื่อยในการสอนเราไม่รู้กี่สิบปีเนะอืมอย่ามาไปไหนก็ตื่นต้องพ่อนะโอ้ก็เห็นหลวงพ่อเหนื่อยในการสอนพวกเรานะเ <g iggle> หนื่อยกายนะบางทีเห็นหลวงพ่อรับแขกนะตอนรับแขกหลวงพ่อสดชื่นพูดคือปกติแต่พอแขกไปหลวงพ่อนอนพักตอนแก่คือท่านใช้พลังงานในการ ในการสอนนะนะก็เหนื่อยนะเหนื่อยหรือตอนที่หลวงพ่อป่วยนะท่านจะไปนะก็ก็คงไปได้แล้วนะลูกศิษย์คอให้ท่านอยู่ท่านก็เหนื่อยท่านก็เป็นทุกข์ร่างกายให้เราเห็นแต่ก็มันเป็นความเหนื่อยที่ก็เกิดประโยชน์กับพวกเราเนาะเกิดประโยชน์กับพวกเราแต่ตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็ค่อยๆ สูหายจากไปแล้วก็เหลือแต่เรานท่นนั้นนะยังไม่ตายก็สู้คนต่อไปนะอืมยังไม่ตายก็ปลุกคนต่อไปเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝากนิดนึงว่าคือคิดแบบนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมนะอย่าไปคิดว่าเราจะต้องบรรลุธรรมให้มันได้เร็วเนาะอย่าไปคิดว่าต้องเอาให้ได้เพราะมาคิดอย่างนี้คิดทําให้มันเต็มที่นได้ไม่ได้ถึงไม่ถึงมากน้อยขนาดไหน เป็นตามเหตุตามปัจจัยแต่ตายตอนไหนก็ตอนนั้นนั่นแหละนะตอนที่เราเลิกปฏิบัติธรรมในร่างกายเนี้นนะ เ, ออเลิกตอนที่มันตายนั่นแหละนะอย่าไปคิดว่าจะเลิกปฏิบัติตอนไหนบางคนมารู้สึกว่าเราคิดเรื่องอยากจะบรรลุธรรมเนะี่ยคล้ายๆเหมือนเราอยากจะไม่ทำมาแล้วนะ่ะคล้ายๆเหมือนทำให้มันเสร็จอนะ่ะเหมือนเป็นงานหนึ่งที่แบบออรีบทำให้มันเสร็จจะได้ไม่ต้องทานะ หรือจะได้ไปทำอย่างอื่นนะแต่ถ้าเรารักมันจริงๆนะาสามารถทำมันจนตายได้นะทำมันจนตายแล้วก็ตายไปแล้วจะได้อะไรไม่ได้ะไรไม่เป็นไรแต่ได้ทำจนตาย อ, ะอ่ะชีวิตเนะี่ยถ้าได้ทำสิ่งนี้จนตายเนะี่ยมันจะได้อะไรก็เรื่องของมันนั่นแหละนะแต่เราจะรู้สึกว่าเราพอใจที่จะเราพร้อมจะตายแล้วเพราะได้ทำเต็มที่นะช่างหัวมันออ ตายไปจะไปตกนรกขึ้นสวรรค์จะไปนิพพาน ห, หรือเปล่าช่างมันนะแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมนะแต่เราได้ทําสิ่งที่สมควรทําเต็มที่แล้วนะเราได้ละสิ่งที่มันไม่ดีนะพอสมควรแล้วนะก็แล้วแต่แล้วแต่ธรรมะจะจัดสรรเนาะให้เราฝากชีวิตไว้กับพระธรรมเลยนะฝากชีวิตไว้เนี่ยไว้กับ การกระทาที่ผ่านานมาที่เราได้ทำเต็มที่นี่แหละนะมาว่าชีวิตเราจะไม่ต้องกลัวอะไรหรอกเอาธรรมะเป็นตัวรับประกันนะแล้วแต่แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปจนะัจจัยนะอย่าไปคิดว่าต้องเอาแบบนั้นแบบนีนะ้ถ้าทำแบบนี้นะมันจะมันจะสบายบายไปนะทำไปทุกๆวันนะจนทั้งถึงวันที่เราตายนะ่ะได้อะไรไม่ได้อะไรก็เรื่องของมันนะชีวิตมันก็ ใจมันจะเบาใจมันจะเบาจะรู้สึกได้เลยว่าใจมันเบาขึ้นใจมันสบายขึ้นนะใจมันไม่หนักมันไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เหนื่อยมันแต่ก่อนนะเนาะก็เด็กๆน้นน้อยนะก็ฝากไวนะ้ถ้าเป็นประโยชน์ก็เอาไปพิจารณาเอาไปก ร, รนะทําเนาะไม่เป็นประโยชน์ก็ก็ปล่อยไว้ทิ้งไว้ดื่มไปนะไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าใน แลกเปลี่ยนสู่กันฟังนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอนะอนุโมทนากับพระคุณเจ้าทุกๆรูปนะนะไม่รู้จักกันก็เยอะ <c oughs> ก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะแม่ชียติธรรมทุกคนเนาะก็ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็ขอให้เราทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกนะ ในปัจจุบันชาตินี้เหลืออนาคตก็แล้วแต่เนาะตามเหตุตามปัจจัยทุกคนทุกท่านด้วยเทินอากาศพักกัน <c oughs> อระหังสมมาสัมพุทโธพักขวาพุทธังพักวันตังอะพิวาเทม สวากาโตภะคะวะตาธโมธัมมังนัมมะซามิสุฟัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนาัมามิ